มีส่วนหนึ่งบางส่วนเย็นบางส่วนอุ่นใช่ไหมบางส่วนนิ่มบางส่วนเจ็บบางส่วนเมื่อยบางคนอ่ะยังเมื่อยอยู่แต่บางส่วนก็ยังไม่ตื่นยังหลับอยู่นั้นถ้าเราสังเกต ด, ดีๆนะเราจะเห็นเลยโอามันแสดงอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เราตื่นที่มาโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการที่แสดงชัดเจนที่สุดตอนนี้คืออาการอะไร โอ้ไม่เห็นตัวเองนั่งอยู่เนะี่ยอาการนั่งเนี่ยก็บอกแล้วว่าทำไมมันจะแยกกันได้สักพีนอ่ะ ว, ว่าอาการยืนเดินนั่งนอนกับร่างกายเนี่ยมันมันคนุณละส่วนกันตอนเนี้อาการนั่งครอบครองทั้งหมดเลยเนี่ยถ้าใครเห็นอย่างนี้บ่อยๆเขาบอกมันเริ่มกระจายความรู้สึกไปสู่เป็นสัมปชัญญะคือรู้ตัวทั่วพร้อม เมื่อนั่งแล้วเนี่ยอาการนั่งปรกากฏชัดปุกก็จะมีอาการอุ่นแทรกในการนั่งเห็นไหมมีาการเย็นแทรกในการนั่งมีอาการเจ็บแทรกอยู่ในการนั่งอีกมีอาการกระพริบตาหายใจแทรกอยู่ในการนั่งนั่งอีกถ้าเราฝึกบ่อยๆเราจะเห็นเวลาเดินปุ๊ก็กจะมีอาการเหล่านี้ให้ปรากฏอยู่เรื่อยๆหมายความว่าดีดบทใหญ่เนี่ยมันจะมีสิ่งที่เล็ก ๆ, ๆน้อยๆเข้าไปอาศัยอยู่เรื่อยๆแต่พอ บอกคำถามตอนนี้อะไรชัดเจนเย็นชัดเจนแต่ลืมไปว่าอา้าวแล้วทางนั่งของเราไม่จะ ช, ชัดเจนเนี่ยเนี่ยถ้าเราแยกไม่ค่อยชัดนี่ยเราจะไม่เห็นชัดว่าอันไหนเป็นส่วนของร่างกายอันไหนเป็นส่วนสิ่งที่ที่เกิดกับร่างกายนี่มันไม่ใช่ส่วนเดียวกันแต่มันเป็นวิบากซึ่งกันและกันต้องมาเกิดด้วยกันเพราะมีร่างกาย มันจึงมีเย็นมีร้อนมีเยืนมียืนมีเดินมีนั่งมีนอนมีหิวข้าวมีเจ็บท้องมีไถ่ายอุจระมีปัสสาวะพวกนี้ไม่ใช่ส่วนของร่างกายนะแต่มันเป็นสิ่งที่มาอาศัยร่างกายเกิดอันนี้เดี๋ยวเราจะไปไหนบางทียกมือซะฉันจะไปเอามรักผลที่พานจตรงไหนก็ไม่รู้ให้รู้สึกมันดีสบายสบายไออารมณ์ต่อหน้าต่อหน้านี้ไม่ศึกษาไม่ศึกษาว่าเมื่อไหร่ฉันจะหยุดคิด ฮัดเสื่อไหมถ้าเรารู้สึกอยู่กับการนั่งอย่างชัดเจนเนี่ยความคิดจะไม่มีเลยช่องมันไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดอะไรเลยนั่งแล้วสัมผัสมันได้วันนี้ที่เราทําไปอ่ะต้องเข้าสเต็ปที่สองสเต็ปแรกเนี่ยเป็นสเต็ปของการฝึกตื่นขึ้นมาเออเราฝึกเนี่ยเวลาเราฝึกเนี่ย เราสังเกต ด, ดีๆนะเวลาเราฝึกไปปั๊บเนี่ยสิ่งที่เราฝึกทั้งหมดเนี่ยสังเกตไหมว่าบางที่เดินเดินไปเดินมาเอาเ อ, เอร่างกายมันเดินนะไม่ใช่เราเดินฝึกชัดๆแล้วจะเห็นร่างกายมันเดินไม่ใช่เราเดินอาการเดินกําลังเกิดขึ้นกับร่างกายเหมือนตอนนี้อาการนั่งกําลังเกิดขึ้นกับร่างกายหรือ การเย็นกนลาลังเกิดขึ้นกับร่างกา ย, เ, ยเราไม่ใช่เราทํามันนะแต่ว่าเวลาเราปฏิบัติทำปุ๊บอะเราจะมีความรู้สึกอย่างหนึงว่าเราต้องทํามันขึ้นมาอันนี้คือคือคือปัญหาของการภาวนาแหละ เ, เพราะเราเรารู้สึกว่าเราต้องทำอะเพราะเราสุขสั่งสมมาให้เรื่อยฉันต้องทําฉันจึงจะได้ฉันต้องทําฉัน จ, ง จ, นงนจึงจะได้ธรรมะใช่ไหมนี่คือการสั่งสมของความรู้สึกนะ แต่พอเรามาฝึกนี้เราไม่ได้ฝึกทำแต่เราฝึกดูมันทำเข้าใจคาพูดนี้ไหมฝึกดูมันทำไม่ใช่ฝึกทำให้มันดูตอนนี้ร่างกายมันทำให้เราดูเห็นไหมทำอาการนั่งให้เราดูทำอาการเย็นให้เราดูทำอาการเจ็บตรงโนตรงนี้ให้เราดูใช่ไทำอาการปวดเมื่อยให้เราดูทำอาการหายใจให้เราดูทำอาการกระพริบตาให้เราดูทำอาการของหัวใจเ <ทำ S 2> <majors S 1> ต้น <ห Links S 1> <ๆ S 2> ใหเราดู ให้เรารู้ให้เราสังเกตไม่ใช่เราทำนะหรือเราทำเองหัวใจมันเต้นเองหรือเราทำเองมันเต้นก็มันเองแต่พอไอ้ภาวะของตัวรู้เราไม่ตื่นเนี่ยเราจะจมไปกับมันเวลามันเป็นนะเพราะจิตมันไม่ได้ออกมานั้นเราต้องการไปสกิดให้มันตื่นสกิดให้มันเฮ้ยตื่นออกมาดูซิว่าอะไรกลาลังเกิดขึ้นเฮ้ย พอเราจะหลับจะหลับปุ๊บเราก็เปกษษกรกขิจมันจี G ้เอวมันบ่อยๆจี G ้เอวบ่อยๆหมายความว่าฝึกรู้อาการบ่อยๆบ่อยๆพอฝึกรู้อาการฝึกอะไรเวทนานุปัสนาเพราะทั้งหมดเนี่ยคืออาการทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็เวท น, นานุปัสนาไม่ใช่เราฝึกแบบเราฝึกไปฝึกมาไม่ใช่เราฝึกอยู่ในสติปัฏฐาน4นะเช่นดูกายล้วนๆก็กา ย, ยานุปัสนาแนละ้ว ยืนเดินนั่งนอนคู่เหยียดเคลื่อนไหวเล้วซ้ายแล้วขวาก้มงอหรือเวลามันเย็นมันร้อนมันอ่อนมันแข็งมันตึงมันหย่อนมันหนักมันเบาอันนี้ก็กายานุปัสสนานะแต่แตมาไม่ได้ไปถอดรหัสให้มันเป็นภาษาที่มันมันดูสวยหรูแล้วละดูมีระดับภาษาบ้านๆเนี่ยนะจริงๆมันเป็นอย่างนั้นแหละให้ดูดีๆว่ากายเนี่ยมันทาของมันเอง แต่ทำไมเราต้องมาสร้างจังหวะด้วยเราฝึกซ้อมรู้การกระทำของมันถ้าทำใจอย่างนี้ได้นะมันจะรู้สึกว่าฉันไม่ได้ปฏิบัติฉันนั่งดูพฤติกรรมของชีวิตของฉันเองเท่านั้นเองแล้วทำให้เป็นเนี่ยแค่นั่งดูพฤติกรรมของชีวิตว่าร่างกายมันเป็นอย่างนี้แหละใช่ไมเนี่ยแต่ว่าเงื่อนไขคือมันไม่ชอบตื่นเลยต้องไปจี้เอวมัน ต้หาวิธีการจะจี้เอวมาเรื่อยๆพอจี้เอวตื่นขึ้นมาปุ๊บโอ้โหพอเห็นเข้าก็ตกใจที่ทาไมกูทุกมากเยอะแยะมากมายจังนั่งหน่อยก็ทุกยืนหน่อยก็ทุกเดินหน่อยก็ทุกกินมากก็ทุกไม่กินก็ทุกกินแล้วไม่ขี้ก็ทุกขี้มากก็ทุกเองสารพัดวุ่นวายไปหมดเลยเห็นเลยชีวิตเนี่โอ้โหมันแหม่ก่อนทุกจริงๆนะเนี่ยต้องนอนเนี่ยเป็นทุกไหมเดี๋ยเป็นสุข ต้องตื่นเนี่เป็นทุกข์ไห ม, ไ ม, มเป็นทั้งหมดแหละลองนอนนานๆเข้าก็เอาอีกแล้วเนี่ยปวดไปทั้งตัวอีกเมือม่อยเมื่ยเๆอีกเอ้าตื่นบ้างาเข้าไม่หลับเอาอีกก็ทุกข์อีกสารพัดยืนนานๆเข้าเป็นไงก็ทุกข์อีกนั่งนานๆเขโอ้มันสารพัดแต่ไม่ต้องพูดถึงอาการทั้งหมดที่มาอาศัยร่างกายเกิดเนี่ยมาทุกทุกชนิดเลยไม่ใช่ทุกบางชนิดนะ บอกได้เลยมันทุกทุกชนิดเย็นมากไปทุกไหมร้อนมากไปทุกไหมแล้วมันกำลังพอดีพอดีอย่างเงี้ยไม่เย็นไม่ร้อนทุกไหมชักไม้ตอบแลนะนเห็นไหมเย็ยนมากไปก็เหมือนกับทุกขเวทนาเยน็นเย็นเนี่ยอ่าตัวแรกเย็นเย็นมากเยน็นเย็นไม่มา ก, ก่เย็นพอดีพอดีนี่ก็เรียกว่าสุ ข, ขเวทนาร้อนจัดจัดไปก็เรียกว่าทุกขเวทนาแต่มันเนี่ย มันไม่เยน็นไม่ร้อนเท่าไหร่นี่เขาเรียกว่าอาการของสุขก็ไม่ใช่ทุกข์ก็ไม่ใช่แต่มันเป็นเวทนาเพราะในอาการของโลกเนี้ยมันจะมีอยู่สามอย่างให้เห็นเนี่ยดูดีๆนะทีนี้ปัญหามันอยู่ที่ว่าเนี่ยเราฝึกเมื่อวานเนะ่ยเราฝึกตื่นแต่ตัวใจเราเนะี่ยมันมีความรู้สึกอยู่สองชนิดเนี่ชนิดหนึ่งใจนะ ถ้าเราไปดูแบบระหวังใจกับอารมณ์มันจะเป็นแบบเหมือนกายกับสิ่งที่มาเกิดกับกายนี่แหละมันจะเป็นแบบเดียวกันว่าร่างกายเป็นส่วนหนึ่งแต่อจิ่งที่มาสายร่างกายเกิดก็เป็นอีกส่วนหนึ่งส่วนใจกับอารมณ์เหมือนกั น, นอารมณ์ทั้งหลายทั้งปนก็เป็นอีกส่วนหนึ่งก็เรียกว่าธมอารมณ์ที่มาเกิดกับใจแต่เจ้าใจนี่มีความพิเศษอยู่สองชนิดหนึ่งความพิเศษก็มันคือเมื่ออารมณ์อะไร เกิดขึ้นมามันชอบเรียนแบบได้เก่งรู้จักมันเรียนแบบได้เก่งไหมเวลาอารมณ์โกรธขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนั่นคืออารมณ์นะไม่ใช่ใจนะแต่เจ้าใจชอบเรียนแบบอารมณ์นั้นได้เก่งให้มันโกรธกูโกรธด้วยนี่คือความความสามารถของมันคือมันอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมากระทบกับมันปุ๊บเนี่ยถ้ามันไม่รู้ตัวมันมันจะเรียนแบบอารมณ์นั้นเลยพอมาเรียนแบบปุ๊บมันจะ พอมาเรียนแบบปุ๊บสมุนของมันของกายของใจนะสิ่งที่จะแสดงออกอ่ะสิ่งที่แสดงออกของมันคือมีกายกรรมกับวจีกรรมตัวเจ้าโมนโนกรรมเนี่ยเข้าเข้าไปเรียนแบบปุ๊บพอเรียนแบบปุ๊บ ก, ก็จะเอากายกรรมกับวจีกรรมไปทําตามอารมณ์นั้นมันลึกออกมาเป็นรูปธรรมที่เห็นชัดนี่คือความมหัศจรรย์ของมันแล้วมันอีกอันหนึ่งคือเวลามันเกิดอะไรขึ้นมาปุ๊บมันชอบเรียนแบบเป็นไปตามแบบของที่อารมณ์นั้นนั้นเกิดขึ้นมา แต่มันไม่ใช่ตัวอารมณ์นะแต่มันเป็นตัวรู้อารมณ์เผอิญมันเลยว่าชอบหลงไปสำคัญมั่นหมายไอ้ไอ้ความคิดบ้างอารมณ์ต่างๆที่มากระทบกับตัวมัน่ะมันชอบเรียนแบบเป็นอย่างนั้นบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆทุกเรื่องเวลามันฟุ้งซ่านก็เรียนแบบฟุ้งซ่านจนตัวเองเป็นคนฟุ้งซ่านอย่างเงี้ยแต่มันมีอีกอันหนึ่งของมัน่ะในตัวมัน่ะมันสามารถที่จะ เป็นตัวการรับรู้ก็ได้เป็นตัวตื่นออกมาดูสิ่งนั้นก็ได้ตัวใจเนี่ยมันมีหน้าที่พิเศษเช่นเวลาเราฝึกปุ๊บเราจะฝึกใจก็เอาใจนั่นแหละรู้ใจเพราะว่าใจมันมี2 ส, ส่วนนะหนึ่งใจที่หลงไปใจที่หลงไปกับอารมณ์ที่มากระทบนี่หนึ่งใจหนึ่งที่เราเป็นกันอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะใจเราส่วนเนี้ยภาวะเนี้ยเราจะชอบหลงไปกระทบกับอารมณ์ตลอดเวลาส่วนอีกใจหนึ่งคือ ใจที่มันรู้อารมณ์เห็นอารมณ์ศึกษาอารมณ์นี่ก็เป็นใจกันมันเป็นความพิเศษในตัวมันมันหลงไปก็ได้มันเรียนรู้สิ่งนั้นก็ได้มันเหมือนกับมันจะถ้าเราเข้าใจให้เป็นถ้าเรารู้จังดีดีมันเหมือนกับมันปลอมตัวไปเป็นโจรนะเพื่อเรียนรู้ว่าโจรมันทำอะไรแล้วมันจะได้จับโจรได้ถูกแต่ปลอมไปปลอมมาดันสำคัญบรรหมายตัวเองเป็นโจรซะเฉยเยเลย ลืมไปว่าตัวเองเป็นตำรวจนี่คือภาวะที่เราต้องไปจี้เอลมันไงจี้เอลมันตื่นขึ้นมาเฮ้ยมึงไม่ใช่โจรนะ ม, มึงมาดูโจรนะมึงไม่ใช่อารมณ์นะมึงมามาที่นี่รู้อารมณ์นะก็เลยต้องเป็นนะั่นที่ว่าต้องไปกระตุกให้มันมีสติตื่นขึ้นมาจี้มันบ่อยๆขยันให้มันสัมผัสกับเอกภาวะรู้อาการของร่างกายแล้วก็รู้อาการของอารมณ์ที่เกิดกับจิตใจด้วยถ้าความสามารถของคนไหนพอเนี่ย มันจะเห็นทั้งสองส่วนเนี่ยเพราะว่าใจเนี่ยมันมีความพิเศษมันสามารถรู้ทั้งเรื่องอาการของร่างกายได้ด้วยแล้วรู้เรื่องโตของมันได้อีกด้วยแต่เชื่อไหมว่าอารมณ์ทั้งหลายทั้งปรงที่มากระทบกับตัวมันเนี่ยมันไม่สามารถอยู่ในตัวมันอยู่ในตัวใจได้เลยไม่อยู่ไม่ได้นะก็เหมือนกับร่างกายนะี่สังเกตดูไหมความเย็นความร้อน การยืนเดินนั่งนอนจะอยู่กับร่างกายได้ไหมไม่ได้เขาแค่มาอาศัยเวทีแสดงแล้วก็ลงเวทีแสดงแล้วก็ลงอันนี้มีความรุนแรงเขาก็แสดงไว้ก่อนแต่เดี๋ยวเขาหมดเวลาปุ๊บคนอื่นก็เอาลงลงแบบเดียวกันเราจรึงเราจริงสามารถที่จะถ้าเราเข้าใจตัวใจเราได้ปุ๊บเราใจเห็นถ้าเราแยกได้ชัดเจนตัวรู้สึกแยกได้ชัดเจน่ะมันจะเห็นชัดเลยวโอ้นี่มันคนละส่วนกันใจเองมันเป็นตัว ใจมันเหมือนพื้นที่เวทีให้พวกนี้มาแสดงแต่มันจะอยู่คนแสดงจะอยู่บนเวทีได้ไหมเนีย่ยตอนนี้ง่วงมาแสดงเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยมันจะมีภาวว่าพวกนีมาแสดงตัวมันอยู่เรื่อยแล้วก็ลงแต่ให้เชื่อเวทีกับคนแสดงคนเดียวกันหมมันแค่อาศัยพื้นที่ขอพื้นที่เกิดหน่อยขอพื้นที่ยืนนิดหน่อยเดี๋ยวฉันก็ไปแล้ว แต่เราลืมอ่ะเราลืมวาเฮ้ยเราไม่ใช่อันนั้นนะเราไม่มีเราเลยดูดูมันเหยียบถูกมันทําถูกมันทับถูกมันถมไม่มีกําลังในการเฮ้ยมึงจะขึ้นมาเวทีกูนะลงอยู่ข้างข้างด้ว ย, อยสอนเนีเ่ยเอออยู่ตรงนู้นแหละไม่ให้ไปพื้นที่ปิดประตูซะปิดห้องซะห้ามเข้ามาพื้นที่นี้แต่ถามว่าเข้ามาไหมเขาก็มาก็ามาโยรอบๆนั่นแหละอยู่รอบๆ แต่ใจที่มีกำลังแล้วกำลังของตัวรู้มันขึ้นมาฉันสังเกตดูตัวใจจริงเนี่ยมันคือภาวะของผู้ผู้รู้ผู้ดูผู้สังเกตนี่คือตัวพื้นที่จริงๆของใจเราจึงต้องพยายามให้มันเกิดตัวรู้ได้ไบ่อยๆนี่คือภาวะที่เราพยายามผ่านผ่านกันเมื่อวานเนี่ยวันนี้ต้องศึกษาให้ละเอียดลงไปอกีกนี่วงวันต่างๆ คือทำสเตปนี้ไว้ให้รู้จักเวลาเราจะฝึกปุ๊บโอ้ช่ว ง, ว ง, รวงรแรกฝึกปฏิบัติเนี่ยทั้งความคิดและนิวรณ์อะไรมากๆพยายามเปลี่ยนบ่อยๆเปลี่ยนบ่อยๆเปลี่ยนบ่อยๆเพื่อให้ก็ตื่นออกมาให้ได้ก่อนจี้เขาบ่อยๆที่เอาระครังจี้ไงยั ง, งตื่นยังตื่นเดี๋ยวนี้ในการมันก็จะมีนะ<ม>เยอะแยะในการฝึกพยายามสั่นทีหนึ่งแล้วก็ตื่นมาทีหนึ่งให้มันทํำยังไงก็ได้ให้มันตื่นได้บ่อยๆ การตื่นขึ้นมาเห็นอาการได้บ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าเดี๋ยวเขาจะเริ่มเป็นผู้สังเกตอาการเหล่านั้นแล้วก็จะเพิ่มเขาจะเริ่มค่อยๆกันตัวเองออกมาแยกออกมาว่าที่เขาเคยหลงสําคัญมั่นหมายว่าอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นเขาและเขาเป็นอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นเขาจะเริ่มค่อยๆเห็นความแตกต่างว่านั่นไม่ใช่เขาแต่เขาก็ไม่ใช่นั่นฉนั้นเราไม่ต้องไปกลัวความโลภความโกรธความหลงความอึดอัดขัดเคืองมันไม่ได้เป็นใจ ไม่ได้เป็นใจใจไม่ได้เป็นพวกนี้เลยสักอย่างแต่ใจชอบเรียนแบบเฉยๆใจที่ไม่รู้อ่ะชอบเรียนแบบเขาเคยเห็นเขาเรียนเด็กเด็กเรียนแบบดาราไหมแต่เป็นดาราได้ไหมสันติอก่เสมือนกันใจมันชอบเรียนแบบอารมณ์เฉยๆแลเดี๋ยวมันก็จะหายไปแต่ถ้าเราให้มันรู้ตัวเฮ้ยมึงก็มีตัวตอนอยู่อย่างหนึ่งเหมือนกันนะ ไม่จําเป็นต้องไปทํากับตามๆเขาทุกอยก็ได้นี่นี่คือเหตุผลว่าทําไมต้องฝึกตัวรู้ขึ้นมาเพราะากรรมฐานทั้งหมดจะฝึกวิธีไหนก็ตามแบบไหนก็ตามถ้าฝึกแล้วไม่ตื่นขึ้นมาเห็นตัวเองผิดผิดจะดีแค่ไหนก็ตามจะมีคนจะมีคนอะไรมีคนเข้าไปฝึกเยอะแยะมากมายก็ตามแต่ฝึกแล้วมันไม่ได้ตื่นขึ้นมาเห็นกายเห็นใจ ไม่ได้รู้จักว่าใจจริงๆทําหน้าที่รับรู้เรียนรู้ศึกษาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแต่ไม่ได้เป็นไปตามเหตุการณ์เอาลองนึกแต่ไหมคนเห็นเหตุการณ์กับคนเป็นไปตามเหตุการณ์ต่างกันยังไงสมมติเรานั่งอยู่นี่เขาบอกว่ า, เ, าเขาลงมาหยุดที่ น, นู่นเราเป็นผู้เห็นเหตุการณ์หรือผู้เป็นไปตามเหตุการณ์ เหตุการณ์ใช่ไหมแต่ผู้เป็นไปตามเหตุการณ์คือคนอยู่ที่นู่นมันจึงเป็นตามเหตุการณ์แต่แต่คนอยู่ที่นู่นปุ๊บเขารบกันจะเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์เกิดขึ้นมาปุ๊บโหมันจะวุ่นวายสับสนโอ้โหต้องป้องกันตัวเยอะแยะมากมายแต่เรานั่งดูที่วีที่นี่เป็นยังไงเห็นความต่างกันไหมนั้นจิตที่ไปเรียนแบบตามอารมณ์มันจึงเป็นจิตที่เข้าไปในเหตุการณ์พออารมณ์จงกระตั้งมันวุ่นวายไม่เลิกไง แต่จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูผู้สังเกตอะมันถอนตัวเองออกมาเห็นเหตุการณ์ว่านี่คือเหตุนี่คืออาการโกรนนี่คืออาการคิดแต่พอเราไม่รู้จักไม่มั่นคงเราเป็นยังไงแจมเข้าไปอีกแจมเข้าไปอีกนี่ยคือภาวะที่ต้องปลุกมันให้ตื่นไงให้ตื่นแล้ววันเนี้ยลองดูซิว่าให้สังเกตสังเกตให้มากขึ้นว่ามัน สังเกตอะไรสังเกตปัจจัยประกอบของแต่ละเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วหายไปให้มากขึ้นโดยจะเติมจะเติมภาวะกันสังเกตเข้าไปในจิตสังเกตอาการดนั้นคุณไม่ต้องไปไม่ต้องไปทําอะไรแค่นั่งสังเกตวันเฉยสบายจะตายไอ้นี่อะไรกันนักไม่รู้บอกให้ฝึกปฏิบัติเขาไปทําอะไรฝึกปฏิบัติก็ฝึกสังเกตนั่นแหละฝึกรู้นั่นแหละฝึกดูมานั่นแหละฝึกอันเดียว อย่าไปฝึกโอ้อันนี้ง่วงฉันไม่เอาเนี่ยเอาอีแล้วโอ้อันนี้โล่งโล่งปร่ปงปร่งฉันจะเอาเนี่ยก็เป็นเวทนาจงเป็นเวทนาอีกนั้นเช้าเนี้ยอให้ท่านมงคลได้ตไดต่อว่าวันเนี้ยเราจะทําให้มันจิตมันละเอียดขึ้นคอยดังสังเกตปัจจัยประกอบของแต่ละร่วงแต่ละเรื่องขึ้นมาให้มันง่วงนะ่ะมันเป็นยังไงก่อนง่วงเป็นยังไงแล้วมันง่วงเพราะอะไรแล้วเวลามันง่วงมันหายไปหายไปยังไงเนี่ย คือเราต้องเห็นปัจจัยประกอบของเรื่องเหล่านั้นด้วยไม่ใช่มันฟุกรู้จะฟุกไหมซื้อหวยรางวัลที่หนึ่งแล้วฟุกโดนอย่างเงี้ยที่จริงไม่มีฟุกนะถ้ามึงไม่ซื้อมันก็ไม่โดนด้วยมันมีแต่ละเรื่องที่ขึ้นมากับเราเนี่ยมันมีมันมีเรื่องราวาาก็มาก็เรียกสตอรี่เรื่องราว็ข้ามาจจะเกิดขึ้นมาเป็นง่วงได้่าจะเกิดเป็นคิดได้ พอจะเกิดปวดได้หนาวได้ร้อนได้อะไรเนี่ยเบื้องหลังมันเน่ยมันเหมือนกับเราจะรังศึกษาว่าเราเคยเห็นไหมภูเขาน้ําแข็งอ่ะก็เห็นไห ม, หไหมส่วนที่โผล่ยอดเนี่ยนิดเดียวแต่ส่วนที่จมอยู่ข้างล่างนี่มหาศารเลยเราเห็นแค่ยอดภูเขาน้ําแข็งเฉยๆมันโกรดแต่ละทีเนี่ยปัจจัยประกอบอยู่ข้างล่างเนี่ยเยอะ ง่วงแต่เราขนเนี่ยปัจจัยประกอบอยู่ข้างล่านี่นเยอะมากเลยแต่เราเห็นแค่ง่วงแค่คิดแค่โกรธแค่ชอบแค่ชังนี่เราเห็นแค่ส่วนบนของน้ําแข็งนั่นเองแต่ปัจจัยประกอบอันนี้เป็นปันจจัยที่กว้างมากเลยแล้วถ้าใครเข้าใจตรงจุดนี้ได้ปุ๊บจะประกอบสมาธิจะเกิดขึ้นเพราะปัจจัยประกอบประกอบได้ถูกสมาธิจะเกิดสติก็ต้องมีปัจจัยประกอบศีลก็ต้องมีปัจจัยประกอบปัญญาก็ต้องมีปัจจัยประกอบ หรือแม้แต่โลโปวดหลงมันก็มีปัจจัยประกอบเข้ามันในการเป็นตัวเนี่ย